รักพร้อมจะภาวนาเต็มที่เหมือนกันระหว่างขับรถฉันครุ้นคิดเกี่ยวกับสมาธิสี่ประเภทไปด้วยประเภทแรกเพื่อเสพสุขในฌานประเภทที่สองเพื่อญานทัศนะโดยอธิษฐานกลางคืนเสมอกลางวันประเภทที่สเพื่อสติสัมปชัญญะโดยรู้ความเกิดดับของเวทนาสัญญาและความตรึกนึก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 บางทีเราเห็นใครปราดเดียวก็รู้สึกว่าเขาเหมาะหรือไม่เหมาะกับยูนิฟอร์มอย่างเช่นตำรวจจะเหมาะกับเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชถ้าดูเคร่งครัดเอาจิงเอาจังแพทย์จะเหมาะกับเสื้อกาวถ้าดูอารีมีเมตตาและปัญญามากแต่สาหรับพระจะเหมาะกับจีวรถ้าสงบสํารวมแบบไม่ได้แกลง้ง